ข้อความในพระสุตันตปิฎกคุธกานิกายคค า, าวิสานสูตรนเนี่ยในคาถาที่37กล่าวถึงพระประเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอดีตท่านเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีเนี่ยนะได้ยินว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งมีพระราชอุทยานอยู่ที่ไกล พระองค์ก็ต้องเสด็จลุกขึ้นแต่เช้าตรูเสด็จไปสู่พระราชยานเสด็จลงจากพระราชยานในระหว่างมรกาดด้วยพระดำริว่าเราไปสู่ท่าน้ำแล้วจักรล้างหน้าก็ในประเทศนั้นนางราชสีตกลูกราชสีแล้วก็ออกไปหากินราชสีลูกอ่อนนั้นนะราชบุรุษเห็นลูกราชสีนั้นแล้วก็ทูลว่าลูกราชสีพระเจ้าข้า พระราชาก็ทรงพระราชดําริว่าได้ยินว่าราชาสีไม่กลัวใครคือปกติราชาสีเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักกลัวว่าไงคือที่ ย, ยกตัวอย่างว่าวีระเนี่ยนะคือผู้กล้าหรือวิริยะเนี่ยการงานของผู้กล้าไอ้คาว่ากล้าเนี่ยมาจากวิริยะหรือวีระผู้ที่มีวิริยะเรียกว่าวีระหรือว่าผู้กล้า อย่างวิริยะบารมีก็คือบารมีว่าด้วยความกล้ากล้าในการเจริญบุญฉันใดในอุปมาก็เหมือนว่าเหมือนอย่างว่าราชสีเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวในอิริยาบทสชันใดท่านก็ไม่พึงหวั่นไหวฉั น, นั้นอันนี้ก็เหมือนกันราชสีเนี่ยก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวใครเลยพระองค์จึงตรัดสั่งให้ตีวัตถุมีกลองเป็นต้นเพื่อจะทดลองลูกลูกราชสีว่ามันอที่ว่าไม่กลัวมันไม่กลัว เฉพาะตัวใหญ่ๆ ห, หรือว่าแม่ตัวเล็กๆก็ไม่รู้จักกลัวลูกราชสีฟังเสียงนั้นแล้วก็นอนตามเดิมพระราชาตรัสสั่งให้ตีวัตถุถึงสมครั้งในครั้งที่สมลูกราชสีก็ชูศีรษะขึ้นแลดูบริษัททั้งหมดแล้วก็นอนตามเดิมไม่ได้กลัวอะไรเลยเนี่ยนะตัวเลขนิดเดียวเพิ่งคลอดด้วยซ้ำไป ฉะนั้นพระราชาตรัสว่าแม่ของลูกราชสีนั้นยังไม่กลับมาตรับใดพวกเราก็ไปตรับนั้นถ้าแม่มาเดื อ, รอดร้อนแน่ก่อนที่แม่จะมาแผ่นกันก่อนดีกว่าเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเสด็จไปพระองค์ก็เลยคิดว่าลูกราชสีแม้เกิดในวันนั้นก็ยังไม่สะดุง้งไม่กลัวเมื่อไรเนอะเราเพิ่งตัดความสะดุ้งกลัวเพราะปัญหาและทิฐิแล้วไม่ต้องสะดุ้งกลัวไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องกลัวเหมือนราชสีฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อไรเนอะเมื่อไรเนาะ เราจะมั่นคงแบบนี้สักทีหนึ่งไม่งั้นเนี่ยแม่เขาบอกว่ามันระแวงเข้าเนคนที่อยู่ในระดับสูงด้วยแล้วเนี่ยระแวงมากเรียกว่าค่อนข้างผวาว่า ง, งั้นระแวงก็คือผวาบ่อยๆเมื่อไหร่นะเราจะเลิกผวาแบบนี้อย่างคนที่มีคนคุ้มครองป้องกันมากเข้าเท่าใดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทําให้มั่นใจมากขึ้นเท่านั้นนะกลายเป็นว่าผวามากกว่าเก่าทําำไหนนาะเราเลิกผวาเลิกสะดุ้ง พระองค์ก็เลยยึดอาราชสีตัวน้อยเป็นอารมณ์ก็เสด็จไปพอเสด็จไปก็เห็นลมเนี่ยพัดไม่ติดตาข่ายเห็นตะข่ายเขาดักลมเนี่ยนะก็เอาตะข่ายมาพึงแดดนะ่ เ, เวลาเขาเอาตะข่ายไปลงน้ําเสร็จแล้วเขาต้องเอามาตากแดดพึงก็เห็นลมเนี่ยไม่เห็นติดตะข่ายแม้แต่ชิ้นเดียวเลยอย่างนั้นที่พวกชาวประมงจับปลาแล้วคลี่ตากไว้บนกิ่งไม้ทั้งหลายปกติมันเป็นอย่างจริงจริงว่า ผู้ที่เขาเอาตะข่ายไปดักในตอนกลางคืนตอนเช้ามาก็เอาปลาออกเขาจะไปพึ่งลมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะตาข่ายที่ดักกลางวันดักข้างบนอย่างนั้นนะก็ไม่มีลมมาไหนมาติดตะข่ายอยู่แล้วเนาะก็เลยยึดถือเอานิมิตเอกว่าเมื่อไหรนะ่นอเราเพึงทําลายตาข่ายคือตันหาและทิฏฐิทําลายตาข่ายคือโมหะไปไม่ติดขัดประดุดลมฉะนั้น เมื่อใดนะใจของเราจะเป็นดุจลมพัดรับรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ติดพันในอะไรทราบอย่างนะนว่าไม่มีตะข่ายดักใจเอาไว้เนี่ยนะไม่งั้นก็คิดไปคิดมาก็ไปตกอยู่ตรงนั้นแหละมันก็คือคิดแล้วมันผ่านไปเหมือนลมพัดฉะนั้นต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปสู่พระราชุทยานประทับนั่งที่ฝั่งสะบกครณีที่มีแผ่นศิลา ทรงเห็นปฐมทั้งหลายคือดอกบัวที่ต้องลมแล้วก็เอโอนเอ็นไปไปถูกน้ำเมื่อปราศจากลมดอกบัวก็ตั้งอยู่ตามที่เดิมอีกก็ก็บัวนะมันก็โอนตามตามลมอะ่ะก็อ่อนไว้ไปตามลมแต่ว่าพออ่อนไปถกถึงน้ำตั้งขึ้นอีกก็ไม่เปียกน้ำก็เลยถือเอานิมิตเอ า, อาจารย์บัวอีกว่าเมื่อไรเนอเราเพิ่งเกิดแล้วในเทวโลกอา่าขอไป แม้เราก็พึงเกิดในโลกไม่ติดดำรงอยู่ในโลกเหมือนดอกประทุมเหล่านั้นเกิดในน้ำไม่เปียกน้ำดำรงอยู่ฉะนั้นท่านคิดได้นะเมื่อไหร่นะใจไม่สะดุ้งกลัวเหมือนราชสีเมื่อใดนะเราไม่ติดพันในอะไรทั้งหลายเหมือนกับตะข่ายดักลมเมื่อไหร่นะเราจะไม่ติดในโลกเหมือนดอกบัวพอพระองค์คิดอยู่นั้นบ่อยๆว่าเราไม่พึงสะดุง้งไม่พึงติดข้องไม่พึงเปียกหรือไม่แปเปื้อน ไม่พึงสะดุ้งเหมือนราชสีไม่พึงติดข้องเหมือนลมไม่พึงเปียก ม, มีฉันทราค่าอาราัยอวร์เหมือนดอกบัวฉะนั้นคิดไปคิดมาก็เลยสละราชสมบัติโนวดนะเจริญวิปัสนาทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานคือพระราชาพระองค์นี้พระองค์ก็ฉลาดแนะว่าอย่างสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องราชสมบัติเป็นต้นหลายคนก็คิดว่าโอ้ละล ะ, ละได้ยังไงสละได้ยังไง อย่างก็ว่าเราไม่สลาราชาสมบัติและราชาสมบัติก็อยู่กับเราตลอดไปเลยไม่ได้อยู่กันตลอดไปหรอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ใครมีบุญมีอํานาจก็ใช้ไปใครที่มีบุญมีอํานาจดูแลปกครองสิ่งรออย่างเดียวก็คือรอวันจากเพราะนั้นจะจะจา ก, จากเร็วหรือจากช้าเพราะพวกอํานาจทั้งหลายพวกบุญที่เรียกว่าบุญหนักศักดิ์ใหญ่ทั้งหลายมันเป็นของชั่วคราวเมื่อเป็นของชั่วคราวเนี่ยนะ หมดบุญเมื่อใดมันก็ต้องจากอยู่แล้วเหมือนก็ขึ้นถึงที่สูงที่สุดมันก็รอต่ําอย่างเดียวเนี่ยนะนี้เมื่อไหร่มันจะตกลงมาเท่านั้นเองมันก่อนที่จะตกแบบลมพัดตกลงมาร่วงหล่นแบบหมดท่าลงมาซะเองดีกว่าไม่ต้องเจ็บตัวเท่านั้นก็พระพระปเจกับพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระราชาท่านก็ฉลาดนะท่านก็ฉลาดว่าเราต้องรีบภากเพียรปฏิบัติเพื่อให้จิตถึงความไม่สะดุ้งมีจิตใจไม่ติดพัน น, นะไม่พึงแปดเปื้อนอยู่ในฉันทราคะอยู่ในโลกนี้แล้วเอาราชสีเป็นตัวอย่างเอาลมเป็นตัวอย่างเอาดอกบัวเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติพอตรัสรู้แล้วก็อุทานว่าสีโหวะสัตเทสุอสันตสัมตสันโ ต, นตวาโตวชารัมหิอสัชมานโนปทุมังวโตเยนะอลิมปมาธโนเอโกเจเรฆฆะวิสานะกัโปโต บุคคลไม่สะดุ้งในธรรมที่มีความไม่เที่ยงเป็นต้นเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงไม่ติดข้องอยู่ในธรร ม, มะมีขันและอายตนะเป็นต้นเหมือนลมไม่ติดข้องอยู่ในตาคายไม่ติดอยู่ด้วยความยินดีและความโลภเหมือนดอกปฐมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแระนั้นคถามีอธิบายว่า ความสะดุ้งย่อมมีเพราะความรักตนนะนะเพราะความรักตัวนะเพราะความรักตัวและความรักตนก็รักด้วยอะไรก็รักด้วยความยึดติดด้วยอำนาจแห่งตันหาแม้ความติดด้วยอำนาจตันหาย่อมมีได้เพราะความโลภที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิหรือที่ปราศจากทิฏฐิหมายคาอว่าไอความติดข้องในร่างกายเนี่ยนะจะทิฏฐิสัมปยุตหรือทิฏฐิวิปยุตมันก็โลภทั้งนั้นแหละ ก็ความโลภก็คือตันหานั่นแหละเพราะฉันเมื่อใดจะพึงตัดความสะดุ้งเพราะความสะดุ้งในขันที่ไม่เที่ยงเหมือนอะไรเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงนะก็ในคาถานั้นความอ้อ่องพูดถึงความคล่องติดคล่องติดด้วยอะไรข้่องย่อมมีด้วยโมหะสำหรับบุคคลผู้เว้นจากการพิจารณาใครที่ไม่พิจารณาสิ่งใดให้รู้เท่า่ เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เราไม่พิจารณานีสิ่งนั้นเนี่ยเราจะต้องเศร้าใจที่สุดสิ่งใดที่เราว่ามันไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเรียบร้อยนั่นแหละจะเศร้าใจที่สุดสิ่งใดที่เราคิดว่าไม่เห็นมีอะไรปกติทุกอย่างเช่นเนี่ยตาของเราเนี่ยปกติทุกอย่างเวลาเห็นก็เหมือนเดิมเห็นมีอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะเศร้าใจเพราะตาหูเราไม่เห็นมีอะไรเดี๋ยวก็เศร้าใจเพราะหูยิ่งบอกใจเราเนี่แน่เดี๋ยวก็เศร้าเพราะใจนั่นแหละใจนั่นแหละมันทำให้เศร้าเพราะนั้น เพราะฉะนั้นจะต้องย่อมละความติดข้องอย่างนี้นะด้วยการพิจารณาเพราะถ้าผู้ที่ไม่พิจารณานั่นแหละเป็นความติดข้องบางคนบอกเขาไม่เห็นติดอะไรเลยก็ว่างั้นก็ใช่อ่งที่ก็ไม่รู้ว่าติดนะตา บ, บอดแต่อย่างเดียวถูกโซ่มัดกี่เส้นก็มองไม่เห็นอยู่แล้วประ่าณนั้นฉะนั้นการละตัณหาย่อมมีด้วยสมถะการละอวิชาย่อมมีด้วยนิพพสน เพราะฉะนั้นบุคคลละความรักตนด้วยสมถะไม่สะดุ้งในธรรมมีความไม่เที่ยงเป็นต้นเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงฉะนั้นละโมหะด้วยวิปัสสนาแล้วไม่ติดข้องอยู่ในธรรมมีขันและอายตนะเป็นต้น เหมือนลมไม่คล่องอยู่ในตาข่ายฉะนั้นละโลภะและทิฏฐิที่สัมปยุทธ์ด้วยโลภะนั่นเองด้วยส ม, มะถะนั่นแลไม่ติดอยู่ด้วยความโลภคือความยินดีในพบทั้งปวงเหมือนดอกประทุมไม่ติดอยู่ด้วยบัวไม่ติดอยู่ในน้ำํำฉะนั้นคาถาแรกที่บอกว่าออตอนตอนแรกนะบุคคลไม่สะดุ้งในธรรมในธรรมที่อะไรในธรรมที่โดยปกติขันทั้งหลายมันไม่เที่ยงใช่ไหม ไม่สะดุง้งด้วยตันหาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงฉะนั้นคําว่าสะดุ้งเนี่ยเป็นชื่อของตันหาเป็นชื่อของตันหาที่มันสะดุง้งติดข้องพัวพันุ์เพราะฉะนั้นจะละความสะดุ้งอันนี้ละด้วยอะไรละด้วยสมถะเนี่ยนะเพราะเห็นความเป็นจริงของร่างกายของตัวตามเป็นจริงเนี่ยนะพ อ, อะพิจารณาเห็นไอ้ที่เราอย่างเช่นฟ้าผ่าฟ้ า, ฟ า, ฟาร้องแล้วมีการสะดุ้งตกใจจริงๆเนี่ยเพราะรักรักตัวมาก ยิ่งรักตัวเท่าใดจิตใจก็อ่อนไหวเท่านั้นยิ่งผวาเท่านั้นเพราะนั้นไอคนที่รักตัวเท่านั้นแหละจึงผวาใครที่ไม่ติดข้องในตัวเองอะไรเลยเนี่ยไม่รู้จะผวาไปทําไมไม่รู้จะสะดุ้งไปทําไมพันจะละความสะดุ้งอันนี้ละด้วยการเจริญสมถะด้วยการพิจารณากายานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าไม่ติดข้องด้วยโมหะในขันอายตนะเป็นต้นเหมือนลมไม่ติดข้องอยู่ในตาขาย ไอ้ความติดความคล่องเนี่ยนะโมหะเนี่ยมันทําให้ข้องซะจนไม่รู้ว่าข้องอยังไงอีกแล้วก็ไม่มีฉันทราคะชาบทาอยู่ในภพทั้งปวงเนี่ยนะด้วยสมถะเหมือนปฐมไม่ติดในบัวราชสีนึกถึงราชสีตรงเนี้ยนะบอกว่าไม่สะดุ้งด้วยโลภะเหมือนราชสีแต่ไม่ใช่ว่าราชสีไม่มีโลภะนะแต่ว่าอาการที่ไม่สะดุ้งเหมือนกัน แล้วก็ไม่ติดข้องอยู่ในขันอายตนะเหมือนกับลมไม่ติดตะไคร์ไม่ฉาบทารูบไหลในในโลกเหมือนกับดอกบัวฉะนั้นในที่นี้ศีลเป็นประธฐานของสมถะสมถะก็คือสมาธิวิปัสสนาก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะทั้งสองสำเร็จแล้วขันทั้งสามก็สําเร็จขันสามคืออะไรคือศีลขันสมาธิขันและ ปัญญาขันก็คือศีลเป็นบาทของสมถะสมถะเป็นบาทของวิปัสสนาก็เท่ากับศีลสมถะวิปัสสนาก็คือศีลสมาธิและปัญญาในขันสามอย่างนั้นบุคคลเป็นผู้กล้าหารด้วยศีละขันเขาย่อมไม่สะดุ้งเพราะความที่ตนประสงค์เพื่อจะโกรธในอาคารตวัตถุทั้งหลายเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไม่สะดุ้งเพราะความโกรธเนี่ยนะคือคนที่ที่ ที่สะดุ้งก็เพราะว่าศีลไม่ดีถ้าศีลดีก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกแล้วมีอะไรจะต้องหวั่นไหวอีกล่ะเพราะฉะนั้นศีลขันนี่แหละทําให้ไม่สะดุง้งทําให้ไม่กลัวทําให้ไม่มีโทสะศีลนั้นจึงเป็นเครื่องกําจัดโทสะทั้งหลายผู้มีสภาพอันแทงตลอดแล้วด้วยปัญญาขันย่อมไม่ติดข้องในต่างในธรรมทั้งหลายอันต่างด้วยขันเป็นต้นเหมือนลมไม่ติดข้องอยู่ในตะข่ายฉะนั้น ท่านผู้ที่มีปัญญาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะจะเอาอะไรเอาราคาชนิดไหนเล่าไปติดข้องผู้มีราคาไปปราดแล้วเนี่ยนะคือสิ้นราคาด้วยสมาธิขันย่อมไม่ติดอยู่ด้วยราคาเหมือนประทุมไม่ติดด้วยน้ำํำฉะนั้นบุคคลไม่สะดุ้งอันนี้สําเร็จด้วยอะไรเศษไม่ติดข้องสําเร็จด้วยวิปัสสนาไม่ติดด้วยสมาธิ ด้วยอำนาจการละอวิชาละตัณหาและหรือละอกุศลมูลสามตามเป็นจริงก็คือละโลภะเข้าไปละโทสะด้วยศีลละโลภะด้วยสมาธิละโมหะด้วยปัญญาก็คือด้วยสมถาวิปัสนาด้วยศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันด้วยประการชนีผู้ที่อบรมอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาก็ไม่สะดุ้งเหมือนราชสีไม่ติดข้องเหมือนลมแล้วก็ไม่ ทารูปไลในวัตฏะเหมือนดอกบัวฉะนั้นเนี่ยนะก็ศีลเหมือนทัวในครั้งศีลเหมือนกับราชสีที่ไม่สะดุงวิปัสนาเหมือนกับลมไม่ติดตะข่ายสมถะก็เหมือนกับดอกบัวที่ไม่ฉาบทารูปไลด้วยน้ำมันกอ็อาศัยเครื่องเปรียบสามประการคือราชสีเป็นต้นแห่งการถือหลักเป็นข้อปฏิบัติในเกิดในการเจริญอริยมรรคในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้า พอเป็นแล้วก็ได้มากล่าวคาถาเหล่านี้พระสารีบุตรได้อธิบายไว้ในขค า, าวิสาระาสุตตานิเทศว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนสีหะไม่ติดข้องเหมือนลมที่ติดตาขายเหมือนลมที่ไม่ติดตาขายไม่ติดอยู่ในวัฏะเหมือน ดอกบัวอันน้ำไม่ติดพึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกอธิบายว่าไม่สะดุ่งในเพราะเสียงเหมือนสีหะความว่าสีหะมรึขคราชเนี่ยนะเรียกว่าราชาแห่งราชแห่งแห่งเนื้อเนี่ยนะราชาแห่งหมูเนื้อเรียกว่ามรึขคราช ไม่หวาดหวั่นไม่คลั่นครามไม่สะทกสะทานไม่ตกลงใจไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุ้งไม่คลาดไม่พลั่นพริงไม่หวาดเสียวไม่หนีไปเพราะเสียงทั้งหลายฉันใดหมายว่าทําให้ตกใจแล้วเผ่นไปไม่มีนะแม้พระปเจกสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นไม่คลั่นคล้าไม่สะทกสะทานไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุงไม่คลาด ไม่มีความ พ, พร่นเพลงไม่หวาดเสียวไม่หนีละความกลัวความคลาดได้แล้วปราศจากความขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงเชื่อว่าไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนราชสีอันนี้ก็อธิคุณธรรมอันนี้คือสาเร็จด้วยอะไรนะทาให้ไม่หวั่นไหวศีลทำให้ไม่สะดุง้งไม่สะเทือนไม่หวาดหวั่นไม่หวัหวนหว่นไหวเพราะฉะนั้นใครที่ศีลไม่ดีก็เป็นยังไง วันไหวขั้นครามสะทกสะทานตกใจสยบสยองสะดุ้งกลัวพรั่นเพรงหวาดเสียวภาษาไทยเรียกภาวะเลยนะว่างันว่าศีลไม่ดีแต่ถ้าศีลดีมีอะไรจะต้องหวันไหวแล้วมีอะไรจะต้องลั้นครามงเนี่ยนะคำว่าศีลเนี่ยรวมทั้งจารีศีลด้วยนะทั้งจารีศีลและวาเรศีลทั้งข้องดเว้นและข้อปฏิบัติบาปก็ไม่ได้ทา บุญก็ทําเสร็จแล้วบุญก็เจริญเต็มที่แล้วมีอะไรจะต้องหวั่นไหวมีอะไรจะต้องแครนคลามมีอะไรจะต้องสะทกสะทานมีอะไรทําไม่ตกใจได้หรือจะต้องสยดสยองเพราะอะไรอะไรจะมาทําให้สะดุง้งก็เลยไม่มีความกลัวไม่มีความพท่านเพึงไม่หวาดเสียวไม่จําเป็นจะต้องหนีหน้าหนีอะไรสักอย่างนะเพราะว่ามีคุณธรรมเป็นเครื่องมั่นอกมั่นใจคือกุศลศีลถ้าคนที่มีศีล น, นั้นเป็นอย่างนี้จริงๆ เป็นผู้ที่ไม่หวันไหวไม่ครั่นคร้าไม่สะทกสะท้านคนมีศีลไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุ้งไม่ขลาดไม่พลั้นพึงไม่หวาเสียวไม่หนีไม่ถึงความขลาดกลัวคนลุกขนพองเนี่ยนะถ้าหากว่าความขลาดกลัวคนลุกขนพองบ่อยๆก็แสดงว่าศีลไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถามว่าแก้อย่างไงก็แก้ด้วยการหมั่นสมาทานศีลอยๆอธิษฐานถึงศีลอยๆระลึกถึงศีลอยๆทั้งจารีตศีลและ วาเรศีนเนี่ยนะก็ปรารบวาเรศีนปรารบที่จะเว้นจากบาปส่วนจารีศีนเหตุอันใดที่ยังไม่เจริญบุญอันใดที่ยังไม่ทําก็ภาเพียรพยายามเนี่ยนะแม้กระทั่งการอ่อนน้อมบูชาพระรัตนตรยัยเป็นต้นก็นับเป็นจารีศีลทั้งหลายไม่ติดข้องเหมือนลมที่ติดต ะ, ะเหมือนลมที่ไม่ติดตะข่ายฉะนั้นเนี่ยนะไม่ติดไม่ข้องเหมือนลม อธิบายว่าลมตะวันออกลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมยินลมร้อนลมน้อยลมมากลมจากพัดลมหัวด้วนลมจากปีกนกหรือลมชนิดไหนมาจากพัดลมหรือลมอะไรก็ช่างเถอชื่อว่าลมทั้งนั้นอะลมเหล่านั้นเนี่ยไม่ติดไม่ข้องไม่ขัดไม่เกาะอยู่ที่ตาขายฉันใดตาขายเนี่ยนะตาขายมีสองอย่างตาขายตันหากับตาขายทิฐิ พระปเจกสมัมพุทธเจ้านั้นละตาข่ายคือตันหาสละคืนตาข่ายคือทิฏฐิแล้วเพราะละข่ายคือตันหาสละคืนตาข่ายเพราะทิฏฐิพระปเจกพุทธเจ้านั้นจึงไม่ติดไม่ไม่ติดไม่ขัดไม่เกาะในรูปเสียงเลี่นรสโพธภาษทธรรมรมทั้งหลายไม่ติดในทิฏฐังสุตังมุตังและวิญญาตังเรียกว่ารูปที่เห็นเสียงที่ฟังกลิ่นรสโพธภาษที่ทราบธรรมรมที่รู้แจ้ง เพิ่งเป็นผู้ออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจอันทําให้ปราศจากเขตแดนอยู่ฉะนั้นจึงเชื่อว่าไม่ข้องเหมือนลมที่ไม่ติดข้องอยู่ในตาขายดอกบัวเขาเรียกว่าปฐุมังปฐุมาเนี่ยนะดอกปทุมอันน้าําไม่ติดไม่เ อ, อิบอาบไม่ซึริมซาบฉนันใดความติดด้วยตันหาความติดด้วยทิฏฐิก็ไม่มีสําหรับพระปัจเจกพรพุทธเจ้าฉะนั้น พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นละความติดด้วยตัณหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิเสียแล้วละความติดด้วยตัณหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่ติดไม่เข้าไปติดไม่ฉาบไม่เข้าไปฉาบฉาบด้วยตัณหาเนี่ยนะจึงไม่มีในทิฐังในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมทั้งหลายในทิฐังสุตังมุตังและวิญญาตัง เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจอันทาให้ปราศจากเขตแดนอยู่ฉะนั้นก็คือใจที่ปราศจากเขตแดนหมายถึงว่าใจที่ตรัสรู้อาสังฆตะธรรมนั่นเองสรุปว่าพระปเจกนั้นไม่ติดเหมือนดอกบัวที่ไม่ติดน้ำหรือไม่ไม่เปื้อนด้วยน้ำท่านก็เป็นผู้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรตฉะนั้น